ชัดจันทวักหมวดว่าด้วยผู้บอดโดยกำเนิดหนึ่งอายุสังขารโรสัชนะสูตรว่าด้วยการปลงพระชนมายุสังขารข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปูตาคารสาลาป่ามหาวันเข ค, ครุงเวสาลีครั้งนั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตเสด็จ ก, กลับจากบินธบาตหลังจากเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนมาตรัสว่าอานนเธอจงถือนิสีธนะเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีท่านพระอานนทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว ถือนิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปข้างพระปริสดางครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรม พหุปุตตะเจดีหน้ารื่นรมสารันทะเจดีหน้ารื่นรมปาวาลเจดีหน้ารื่นรมอิทิบาสีผู้ใดเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมดีแล้วปรารพดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับ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 จึงม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนมาชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนมาชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่า ทั้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมารดนใจแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัส ก, กับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานน์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพเจดีน่ารื่นรมพระหุปุตตะเจดีน่ารื่นรมสาแรนทะเจดีน่ารื่นรมปาวัลเจดีน่ารื่นรม อิทิบาสีผู้ใดเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วสังสมดีแล้วปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทิบาสีตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วสังสมดีแล้วปรารภดีแล้ว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 โปรดดำรงพระชนมนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข่าท้งนี้เป็นเพราะท่านถูกมานโดนใจหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าอานนนไปเถิด เธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดท่านพระอานน์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้นเมื่อท่านพระอานนลจากไปไม่นานมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควร เรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา ยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่กล้ากล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหาร ปราปรปะว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เราภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นพระหูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤตตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัต กำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรบปรวาะที่เกิดขึ้นใี้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคปโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตปโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจารย์นี้ไว้ว่า มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เหล่าพิสุนีผู้เป็นสาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้ากล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดงกระเซมจากโยคะไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤตตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกาหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรบประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เราภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งประพฤตตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรปริณิพานเถิดขอพระสุคตโปรปริิพานเถิด เวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจาะนี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เราอุบาสกผู้เป็นสาวกของเรายัางไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้ากล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์องตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรปรวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้ลาอุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะเป็นผู้หูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรบปวาระาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุโคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจา น, นี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เหล่าอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลม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 ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบรพ ะ, ะว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เราอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะเป็นพระหูสูดทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤตตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารปราบประป ร, ะประวาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคปโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตปโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาป ร, รินิพานของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่พรหมจาร์ น, นี้ของเรายังไม่เจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้พรหมจาร์ของพระผู้มีพระภาคจเจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมาก เป็นปึกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านจงขนขวายน้อยเถิด ไม่นานนักตถาคตจะปรินิพานจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานเวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปรงพระชนมายุสังขารณปาวาลเจดีนะครั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้อง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 อายุสังขารโรสัชนะสูตรที่หนึ่งจบสองสัตตะชดินละสูตรว่าด้วยนักบวชพวกละเจ็ดคนข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประสาทในปุพารามของนางวิสาขามิคารามาตาเคครุงสาวถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นประทับนั่งอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอกลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทีโกสนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควร สมัยนั้นชดินเจ็ดคนนิครคนเจดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนและปริภาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริคารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระเจ้าปเปเสนทิโกสนได้ทอดพระเนตรเห็นชดิ น, น, น, นเจ็ดคนนิโครนเจ็ดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคน และบริพาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งทรงห่มพระภูษาเวียงพระอังษาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่พื้นดินทรงประคองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้า ข e ้าพเจ้าคือพระราชาประเส e n t ิโคศน์ท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเส enti โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเส e n t ิโกศน์ลำดับนั้นเมื่อนักบวชเหล่านั้นจากไปไม่นานพระเจ้าประเส e ิ t i โกศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตรรมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษพระองค์เป็นครหัตเป็นกามโภขีครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาใช้สอยพระภูษาและเครื่องสำอางจากแควนกาสี ทัสส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหล่ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมักมหาประพิธศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีล น, นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาประพิษความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการเจรจาและความสะอาดนั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้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 ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่พระเจ้าประส e ธิโคสลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ดียิ่งนักว่ามหาปพิธพระองค์เป็นคารหัดเป็นกามโภคีครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระมเหสีทรงใช้สอยพระภูษาและเครื่องสําอางจากแควนกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต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 รูปไล้ผิวดีแล้วตัดผมโกนโนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมาคุณห้าบำเรออินทรีทั้งหลายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบนรรปชิตไม่พึงพยายามในบาปกรรมทั้งปวงไม่พึงเป็นคนของผู้อื่น ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงใช้ธรรมเป็นเครื่องค้าขายสัตตชดินและสูตรที่สองจบ 3. ปัจเจเวคณะสูตรว่าด้วย การพิจารณาอากุศลธรรมและกุศลธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเปนิกาเศรษฐีเขคครงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิจารณาบาปอากุศลธรรมจํานวนมากที่พระองค์ทรงละได้ขาดแล้ว และกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ให้ถึงความเจริญบริบูรณ์แล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบบาปอกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ทรงละได้ขาดแล้วและกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ให้ถึงความเจริญบริบูรณ์แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานในการก่อนมูคิเลไดมีแล้ว แต่ในการนั้นหมู่กิเลสไม่มีในการก่อนทำอันปราศจากโทษไม่มีแต่ในการนั้นทำอันปราศจากโทษได้มีแล้วในอดีตอริยมรรคไม่มีในอนาคตก็จะไม่มีและในปัจจุบันก็ไม่มีประจวบขณะสูตรที่สจบ ปฐมมะนานาติทิยสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกันสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณิกาเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นสมณพราหมณ์และปริพาชกจํานวนมากผู้มีลัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกัน มีความพอใจแตกต่างกันมีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในครุงสาวัตถีคือหนึ่งมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสองมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงห มีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตาทาโคจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณะพราหมเหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ว่า อย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นแหละในเวลาเช้าภิกษุจานวนมากครองอันตราวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาตยังกรงสาวัตถีกลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร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 มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสองมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ชีว่ากับสิริระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก นี cing, man, si. like tomorrow, yet, ้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มีใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่ นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการบากหมาง ก, กันทะเลาะวิวาทกันใช้ขอคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอัญญเตระถีปริภาชกเป็นคนบอดไม่มีจักษุ จึงไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเมื่อไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไ ม, ม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ม c, ไม่ใช่ธ elin, รรมก็เกิดการบาดมมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้ขอเคอปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใ si ช่ธรรมธรรมต้องไม่เ <toi> ป <ów> ็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่เองมีพระราชาพระองค์หนึ่งรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อหนุ่มเจ้าจงไปจงบอกให้คนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีมาประชุมร่วมกันบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพาคนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับเดกราบทูลพระราชาดังนี้ว่าขอเดชะ คนตาบอดทั้งหลายในครูงสาวัตถีมาประชุมกันแล้วพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าพ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นเจ้าจงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายเถิดบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วจึงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายคือแสดงหัวช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหูช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงงาช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงวงช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงตัวช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงเท้าช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่า ท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงระหว่างขาอ่อนช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่าน ท, าาาทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงค้นหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นครั้นแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายแล้วได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะคนตาบอดทั้งหลายเห็นช้างแล้วพระเจ้าค่าขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณนบัดนี้เถิดภิกษุทั้งหลายลาดับนั้นพระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จไปหาคนตาบอดเหล่านั้นได้ตรัสกับคนตาบอดทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายพวกท่านเห็นช้างแล้วหรือคนตาบอดเหล่านั้นกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายพวกท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นช้างแล้วช้างเป็นอย่างไรคนตาบอดพวกที่คลําหัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนหม้อพระเจ้าค่ะ คนตาบอดพวกที่คลำหูช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนกระดงพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงาช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนต่อไม้พระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงวงช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนงอนไถพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำตัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่า ช, well, ช้างมีรูปร่างเหมือนยุงข้าวพระเจ้าค่าคนตาบอดผู้ที่คลาเท้าช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนเสาพระเจ้าค่าคนตาบอดผู้ที่คลาระวางขาอ่อนช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนครกพระเจ้าค่าคนตาบอดผู้ที่คลาหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนสากตาข้าวพระเจ้าค่ะ คนตาบอดพวกที่คลาขนหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนไม้กว่าดพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเหล่านั้นต่างก ร, ร ม, มัดทุ่มเถียงกันว่าอย่างนี้คือช้างอย่างนี้มิใช่ช้างช้างต้องไม่เป็นอย่างนี้ช้างต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นั้นจึงทรงพอพระทัยด้วยเหตุนั้นภิกษจทั้งหลาย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 ทำต้องเป็นอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานทราบว่าสมณะพราหม์พวกหนึ่งยึดติดอยู่ในทิฏฐิหรืออุปาทานขันเหล่านี้จึงกล่าวโต้แย้งวิวาทกันเหมือนคนตาบอดที่คลำช้างแต่ละส่วนฉะนั้น ปฐมะน า, นานาติทยสูตรที่สี่จบ 5. ทุติยน า, นานาติทยสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกันสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้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 มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จ pues ริงสองมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า อาตาและโลกเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอาตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมีสมณพราหมณ์ผวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอาตาและโลกตนเองเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตาและโลกผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเจมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตาและโลกตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง แมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เองตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ไม่ยั่งยืนนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิอมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนก็ใช่ไม่ยั่งยืนก็ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิสอง มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์จะว่ายั่งยืนก็มิใช่จะว่าไม่ยั่งยืนก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงส5บหมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย e e. ่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบหมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองตนเองเป็นตัวการก็มีใช่ผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณะพราหม์เหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าภิกษุจํานวนมากครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 จึงไม่บรรลุนิพพานหรืออริยมรรคมัวจมอยู่ในระหว่างทางนั่นเองทุติยน า, นานาติทิยสูที่หจบ